อืม <c oughs> ท่านใจรักครอบครองท่ร้องและประดา พระหนึงที่เรามีการเปิดอบรมนั่งฟังด้วยนั่งภาวนาตามไปด้วยคำว่าอบรมเนี่ยมันต้องถึงใจเลยนะคำว่าอบรมอบรมถึงกายถึงวาจาถึงใจเลยคำว่าอบรม ไม่ใช่เราไปอบรมทกศไม่ใช่เราไปอบรมชาพนากิจไม่ใช่เราไปอบรมอะไรอย่างอื่นเราอบรมใจอบรมกายอบรมวาจาอบรมใจให้ได้รับความสงบตั้งแต่หลักเพื้อนไปจนถึงหลักลึกละเอียดสูงสุดเกี่ยว็เรื่องการดําเนินตามมรรคผลนิพพานของ พระพุทธเจ้าพวกเราก็หวังใจพวกเราก็เคยยิ้มยิ้มย่องในหัวใจแล้วก็รอคอยเวลานี้มาตั้งแต่เริ่มสมัครรับสมัครกันมากแต่ก็มาไม่เคยเต็มสักครั้งแหละอืเพราะความไม่แน่ใจความไม่แน่นอนความไม่อยู่เท่าเดิม แม้แต่ใจของเราก็ไม่อยู่เท่าเดิมวันนี้พรจะเอาอย่างนี้วันวันวันหลังมีเหตุผลอย่างอื่นมันตัดแล้วมันไม่ไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมจึงไม่มีอะไรแน่นอนไม่แน่ไม่แน่ลูกปุชชาตลอดไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ก็คือนิจจังคือทุกขังทุกขังคือมันไม่อยู่เท่าเดิม มันไม่อยู่เท่าเดิมมันก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังทุกขังไม่อยู่เท่าเดิมเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังทั้งทุกขงังทั้งอนิจจังเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติบนโลกใบนี้แต่ความสําคัญมั่นหมายของพวกเรายึดละเกินถือละเกินต้องสุขงังต้องเที่ยงต้องถูกใจ ต้องให้ได้อย่างใจคอยได้ตามใจมีความขัดแย้งในหัวใจของเรามันมีอยู่อย่างนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้พวกเราจําเป็นจะต้องศึกษาจะต้องอบรมอบรมยังไงเราจะได้ชี้ตรงไปที่จุดที่ละเอียดที่ลึกที่ตรงแนวไปสู่หลักของสักดิ์ั จ, จธรรมนั่งภาวนานะนั่งภาวนาหลับตา นั่งภาวนาหลับตาห <c oughs> ลวงพ่อก็นั่งภาวนาธรรมะพวกเราก็ส่งจิตอบรมธรรมะถ้าสนใจเนื้อหาของธรรมะเราก็กำหนดจดจ่อพิจารณาใครครวนตามตรองตามถ้าเราจับอยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งติดออกติดใจตั้งแต่เช้ามาเนี่ยหรือตั้งแต่วันก่อนกอนวันหลังๆมาเนี่ย เราก็จะอารมเดิมเหมือนเดิมทำไมใจของ่เราจะสงบใจสงบทำไมเราต้องการให้ใจสงบเพราะใจสงบนั้นมันเป็นสุขมันมีความสุขจุดมุ่งหมายของการที่เรามาฝึกคนอบรมเราต้องการอบรมให้ใจสงบหนึ่งอบรมให้ได้ยินได้ฟังการได้ยินได้ฟังเพื่อที่จะมาทำให้ใจสงบ ในขณะที่เราฟังอบรมเราพยายามสามารถทําให้ใจเราสงบไปด้วยในขณะเดียวกันและมันสามารถทําได้สมัยปัจจุบันสมัยย้อนไปถึงสมัยพระพุทธเจ้าสมระชนอยู่มนุษย์ทํำในขณะที่ฟังธรรมนุษย์ทำในขณะที่พระพุทธเจ้าหยุดแสดงธรรมปั๊บมันลุกปุ๊บขึ้นมาทันที แต่ในส่วนยุคสมัยที่พระองค์ทรงพระชนอยู่นั่นก็ยกไว้เพราะการนั้นเป็นกาลสมบัติเป็นการละสมบัติใครก็ตามที่ได้ฟังเทศต่อหน้าพระพักพระองค์เนี่ยคนนั้นก็เป็นผู้มีบุญนวนะเป็นผู้เกิดทันกาละสมบัติอย่างพวกเรานี้ทุกวันนี้เราจะถือว่าสมบัติดุวิบัติเราก็ไม่รู้ลและและจะปรับปรุงแก้ไขเอา ถ้าเข้าใจรู้เรื่องฝักไฝในการบุญการกุศลการฝึกฝนอบรมคนนั้นก็อาจจะสาะแสวงหาการที่เป็นสมบัติ ต, ตรงกันข้ามถ้าหากเราไม่ส่ะแสวงหาการที่เป็นสมบัติเราก็อาจจะสาะแสวงหาการวิบัติก็ได้วิบัติคือเสื่อมคือสิ้นคือศูนย์คือสลายวิบัติ สมบัติคือมีพ่อภูภูนเพิพ่มภูนถึงพร้อมเข้ามาสมบัติ <c oughs> ที่วัชรธรรมนี้เปิดอบรมมาเป็นส0บยี่สกวีมาแล้วนะเนี่ยบางครั้งพเราก็มาใครครวนตา ม, มาโอ้แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นผ่านตรงนี้เมื่อก่อนนั้นจับทุกเดือนปีหนึ่งสบสองเดือนจับทุกเดือน แต่พอสองปีมานี้ปีที่แล้วมีสี่เดือนปีนี้ก็มีสี่เดือนแต่มีนามเมษานั้นก็โควิดเอาไปกินแล้วหายไปเดือนหนึ่งโผล่มาตั้งแต่มกราแล้วก็มาสิงหาเนี่ยอาจจะมีได้อีกก็คือกันยานี่ในรอบของปีหนึ่งปีหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เป็นศูนย์อบรม บริหารในนามมูลิติดวงแก้วคุณหมอปียรศปริยานนท์และคณะบริหารของมูลิติของกลุ่มธรรมะบริกรทํางานด้วยความเสียสละเพื่อพวกเราเป็นโอกาสให้กับพวกเราเปิดโอกาสให้กับพวกเราใครที่สนใจต้องการโอกาสแบบนี้สอบแสวงหาพบเจอ เราก็มาฝึกฝนอบรมได้แต่พอเข้ามาแล้วต้องมีระเบียบต้องอยู่ในระเบียบระเบียบทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่ออะไรเพื่อเราระเบียบจะยากจะง่ายจะดูเหมือนบีบบังคับอะไรยังไงก็ตามแต่เราดูให้ชัดดูให้เข้าใจแต่ระเบียบทั้งหมดนี้เพื่อเราเพื่อความดีเพื่อความแน่วไปสู่ความสุขความสาเร็จของเรา เพื่อความสมหวังของเราไม่เป็นการเพื่อบีบังคับธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าหากตั้งใจจะปฏิบัติต้องบังคับตั้งใจเดี๋ยวนี้บังคับเดี๋ยวนี้ถ้าปล่อยไม่บังคับถึงจะอยู่ในสนามสนามฝึกมันก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้อบรมไม่ได้บังคับแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบท ต, ตั้งใจปฏิบัติปับ๊บต้องบังคับ บังคับส่วนเหตุแต่ส่วนผลนี่บังคับไม่ได้นะแล้วแต่ผลจะปรากฏขึ้นมาเองอย่าไปคาดอย่าไปเดาอย่าไปหมายใครบอกว่าการตั้งใจปฏิบัติธรรมบังคับไม่ได้ถ้าไม่บังคับกิเลสมันจะไม่ปล่อยให้หลุดมือมันดอกมันกาะกุมมังเหียนมันเหนียวแน่นมันคง มันเป็นควานประจำช้างหงวัวใจของเราเี่กิเลสมันเป็นควานประจำเป็นหน่อยควานควานช้างสมมติเราเป็นช้างมันเกาะซ้ายเกาะขวาดึงซ้ายดึงขวาให้เราทำทตามอำนาจของมันมันไม่เคยเปล่ออกาศให้เราพอต้องใกปฏิบัติปั๊บสังวรประทานโน่นเนียสังวรสํ า, สารวมระมาดระวัง ทำไมบังคับจะเอาอะไรมา ส, สังวนสงบอนทำไมบังคับจะเอาอะไรมาสัมร่วงต้องพิจารณาดูให้ดีทำไมกำหนดจดจ่อพิจารณาเพิ่มสติเพิ่มสัมผชัญญะเพิ่มความอดความทนให้ต่อนเนื่องติดต่อกันเป็นพื้ไปเลยถ้าเราไม่ตั้งคิดตั้งใจเพื่อที่จะทำจริงๆกิเลสมันจะไม่ปล่อยให้รลุดมือมันดอก เดี้มกลาไปแล้วเดีมกลลาไปแล้วเพราะทุกคนหัวใจทุกดวงเคยอยู่อย่างอิสระเสรีแต่อิสระเสรีภายใต้การบังคับควบคุมของกิเลสพูดไปแล้วเหมือนกิเลสมันเป็นตัวสองติดมากับจิตของเราแท้ที่จริงกิเลสก็คือกิริยาของจิตของเรานี่เองที่เราติดใจที่เราชอบใจที่เราพอใจความโลภความโกรธความหลง มันไ ม, มไม่มีใครสร้างให้เราด้วยไม่มีใครทำให้เราด้วยเป็นผลวิบากกรรมของเราที่ตกค้างอยู่ในหัวใจของเราของท่านเราพูดถึงธรรมะทุกบททุกบาปเราทิ้งเรื่องกรรมไม่ได้เราทิ้งเรื่องเหตุผลไม่ได้ฟังให้เข้าใจนะตรงนี้นะอันนี้คือจุดศูนย์รวมที่เราจะกระจายธรรมะทั้งภาคปริยัตปฏิบัต รวมไปถึงภาคปฏิเวทจะต้องผ่านจะต้องผ่า น, านการกระจายจากหลักของกรรมหลักของเหตุหลักของผลแล้วดูที่ฝนตกจากชักแรกจากลงเนี่ยมีเหตุมีเหตุสะสมความชื้นในท่องฟ้าอากาศในอุณหภูมิที่เหมาะที่สม ลมกระพือตีให้แตกลงแห่ทุกอย่างมันบันดาลให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นทั้งนั้นะ เ, เหตุนำไปสู่ผลผลนำไปสู่เหตุอันนี้ของภายนอกฟ้าแดดดินลมมีเหตุสิ่งเหล่านั้นเป็นผลและผลเหล่านั้นก็เป็นเหตุเหตุเป็นผลผ ล, ผลเป็นเหตุเหตุเป็นผลผ ล, ผลเป็นเหตุอันนี้คือภายนอกเราย้อนมาดูภายใน ภายในของเราเรามาดูให้เห็นให้ชัดเกียร์กายของเราเป็นส่วนหนึ่งใจของเราเป็นส่วนหนึ่งใจของเราเป็นเหตุนี่เราพูดถึงหยับๆยาบก่อนกายของเราเป็นผลใจของเราเป็นเหตุเป็นมหาเหตุกายของเราเป็นส่วนผล ด้วยเหตุที่ใจเรามีสิ่งพายึดพาถือพาเกาะพากลมพาคว้าสิ่งนุ้นมาสิ่งนี้มามาพันตัวเองจนเป็นเหตุให้มีตัวมีตนเห็นไหมพันกันจนจนเดี๋ยวนี้ที่พวกเราได้ยินได้ฟังทา ง, งหลังได้ยินไหมพูดไปไม่ได้ยินเปล่าประโยชน์นนะคิดว่าได้ยินกันหมดนะ เคยพูดแล้วข้างหลังไม่ได้ยินเนะสียประโยชน์นะเสียประโยชน์นะบ า, บางทีได้ยินอยากฟังแต่ไม่ได้ยินเนะสียประโยชน์ น, ะนตอนนี้เราอยู่ในห้องอบรมอบรมเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกายวิบากกรรมของกายเหตุผลของกายเกี่ยวกับเรื่องวายจา เหตุผลของวาจาวิบากกรรมของวาจาเหตุผลของใจวิบากกรรมของใจมีความเกี่ยวเนื่องมีความผูกพันซึ่งกันและกันทำไมเราต้องมาอบเราต้องมารมอยู่บ้านสบายกว่าไม่ได้หรือเพราะเราอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็น เห็นคนอื่นเขามีความรู้เห็นคนอื่นเขาได้อัดได้ทําเราก็อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นทําไมจึงอยากได้ทําไมจังจึงอยากดีทําไมจึงอยากมีทําไมจึงอยากเป็นเพราะถ้าหากมันอยู่ในอํานาจของเราแล้วเรามีความสุขสุขยอดมาที่หัวใจทุกๆดวงนั้นติดความสุข ท่านทางหลายจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าท่านจะไม่ติดความสุขความสุขพื้นพื้นที่ทำให้เราติดที่ทำให้เราต้องดิ้นรนอยู่ทุกวันนี้แต่ถ้าเป็นธรรมะส่วนละเอียดที่พระพุทธเจ้าท่านให้เราตั้งใจปฏิบัติฝึกฝนอบรมด้วยแล้วเนี่ยท่านให้เรากระจายความสุขแยกแยะความสุขพิจารณาความสุขท่านให้เรากระจายความทุกข์แยกแยะความทุกข์พิจารณาความทุกข์ ธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะตอนนี้เท่ากับว่าเราเกริ่นหัวข้อธรรมะที่เราจะทําความรู้ทําความรู้จักทั้งความเข้าใจกันเป็นเบื้องต้นพราะหลังจากนี้ไปวันนี้อย่างน้อยตอนนี้เป็นวาระแรกที่หลวงพ่อขึ้นมาเมื่อเช้าก็มาจากวดรเช้ า, ชามืดมาถึงนี้ก็มาถึงนี่เมื่อเช้านี่แหละชันเพลิเลยสี่เบ็ดโม ชั่วเมแต่ก็ไม่เสียประโยชน์พวกเราพวกเราก็ทำประกอบกิจอย่างอื่นเท่าที่จําเป็นไปลงต่อเบียนฟังคําพี่แจงบรรยายอะไรที่จะพึงเกิดขึ้นเกิดประโยชน์กับหัวใจของพวกเราแต่อย่าลืมว่าความหวงังความตั้งใจของทุกๆคนนั้นต้องการได้รับความรู้ต้องการได้รับความสงบต้องการได้รับความสุขในจิตใจของเราถ้าเรารู้จัก จับรู้จักจํารู้จักเข้าใจว่าทาไงเราจะได้ความสงบทํำไงเราจะมีภาระน้อยที่สุดที่เราจะไม่ส่งกิดออกนอกทําไมเราจะมีสติมีสัมปชัญญะกำหนดจดจอ่อควบคุมกิริยาพฤติกรรมของกายของใบาชาของใจเราอยู่หลังจากสองวันสามวันสองคืนไปแล้วเราจะได้หอมหิ้วผลรายเหลือที่ตกค้างอยู่ในหัวใจของเรา กลับบ้านตั้งออกตั้งใจหอบหิว้วเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปพอถึงตอนตอ น, นั้นอาจจะต้องมีจิตจิตใจได้รับความข้อประพฤติได้รับข้อปฏิบัติได้รับประสบการณ์ได้รับความสุขทั้งด้านหัวใจของเราให้ตั้งออกตั้งใจเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็ภาวะ ของวัชรธรรมเราแล้ก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเงียบสงัดเดี๋ยวนี้ความเจริญมารอบข้างเลยเราเห็นความเจริญที่เราเห็นเนี่ยเป็นความเจริญที่เพิ่งมาสองสามปีนี้เองรอบข้างไปหมดเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีเป็นทุ่งนาหนองลองเดีวนี้ก็เป็นบรรยากาศแต่ก็ยังอํานวยความสะดวกให้กับพวกเราอยู่เพราะเราอยู่ในกรอบของเราที่สำคัญที่สุดคือระเบียบที่เรามี ในการที่เราเข้ามาอบรมและมีผู้ถือระเบียบมีผูพ้พาทำตามระเบียบระเบียบเหล่านี้เพื่อเราไม่ใช่เพื่อใครระเบียบเหล่านี้เพื่อเราไม่ใช่เพื่อใครเพื่อความดีงามของเราเพื่อบรรลุผลประสงค์ของพวกเราคอยเราตั้งอกตั้งใจ <c oughs> เราทั้งหลายพวกเราหวังทำที่พึ่งให้กับเราเรามาพิจารณาลองดูเ อ, เ, อเขาได้ที่พึ่งดี เ, <อ>เขามีความเป็นอยู่สุขสบายดีมีฐานะดีมีความรู้ดีมีภาวะแวดล้อมที่ดีมีที่พึ่งที่ดีได้อยู่สะดวกสบายบางครั้งเราดูเขาแล้วเราเทียบมาที่เรา บางทีเราก็ด voilà. ูเราแล้วเราก็เทียบไปที so, ่เขาอันน no ั้นเขามีแต่เราไม่มีอันนั้นเขาได้แต่เราไม่ได้อันนั้นเขาถึงแต่เราไม่ถึงเราได้สิ่งนี้เราได้สิ่งนั้นเราได้สิ่งนี้สิ่งที่เราชอบใจก็มีไม่ชอบใจก็มีไม่พอใจก็มีแต่สิ่งที่เราหวังสูงสุดก็คือความสุขในหัวใจของเราความสุขเป็นผลนะเป็นวิบากนะ อย่าไปคิดว่ามีภูเขากองทุบเป็นกรอบเป็นกลมเป็นกรรมเป็นก้อ น, อ น, อ น, อ น, อนอแล้วเราก็ไปตัดเอาไปตักเอาไปตวงเอาไม่ใช่ความสุขนี้เป็นวิบากความสุขมีเหตุตรงเน่าไปสู่ผลคือความสุขอย่างแท้จริงที่พระพุทธเจ้าท่านทรงวางเอาไว้เราศึกษาความสุขแต่มันก็สะท้อนมาที่ความทุกข์ เราศึกษาความทุกข์เราก็สะท้อนมาที่ความสุขสะท้อนมาที่พฤติกรรมอย่างไรบ้างทําให้เราได้รับความสุขพฤติกรรมอย่างไรบ้างที่ทําให้เราได้รับความทุกข์เราพูดถึงเรื่องเหล่านี้แล้วมันไม่พ้นจะพูดถึงกิเลสตัณหาราคะหัวใจของเราแล้วก็ไม่พูดถึงว่ากิริยาเดิมเดิมที่เราเคยสังสมอบรมมานั่นแหละ มันตกผลึกเป็นกิเลสในหัวใจของเราความโลภความโกรธความหลงทั้งมาเป็นกิเลสแท้จริงก็คือตัวตัณหาตัวเดียวนั่นแหละความอยากในหัวใจของเราแต่พอมันเกิดความโลภขึ้นมาด้วยอํานาจของตัณหาเราก็ยึดความโลภเกิดความโกรธขึ้นมาด้วยอํานาจของตัณหาเราก็ยึดความโกรธ ด, ด้วยอํานาจของความลุ่มหลงทั้งสามสภาพนี้ทําให้ใจเราเศร้าหมอง เรามาพิจารณาลองดูถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอกมาสอนะเรารู้จักได้ไหมเราไม่รู้จักเลยว่าความโลภทําให้ใจเราเศร้าหมองเกิดขึ้นมาทีไรเมื่อไรเราก็อยากสนองความโกรธอยากสนองข่าแข่งกันดูสิเียดเบียนกันทารุนกันขนาดไหนก็สามารถทําได้ความรุ่มหลงความขาดสติขาดปัญญาทั้งหมดนี้ เป็นสภาพที่ทำให้ใจเราเศร้า ห, หมองท่านก็ทรงบัญญัติคำว่ากิเลสกิเลสแปลว่าสภาพที่ทําให้ใจเราเศร้า ห, หมองพูดพูดถึงตัณหาราคะในหัวใจของเราของท่านมันเป็นสภาพที่ทําให้ใจเราเศร้า ห, หมองถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงมาตรัสว่าทําให้ใจเราเศร้า ห, หมองพวกเราไม่รู้จักเรามีแต่อยากสนองตัณหาราคะโผล่ขึ้นมายากสนอง ความโลภเกิดขึ้นมาอยากสนองไม่มีขอบเขียนไม่มีประมาณความโกรธขึ้นมาอยากสนองเอาเป็นเอาตายใส่กันเลยตัญหาราคะเกิดขึ้นมาอยากสนองนี่ยวุฒิยาท่าให้ศึกษาท่าให้สงบถ้าให้ระ ง, งับแค่มันเกิดขึ้นในใจของเราเท่านั้นมันทำให้ใจเราเศร้าหมองถ้าหากเราออกกายเราไปสนองเป็นวิบากกรรมเพิ่มเข้ามาอีก อาวัยจาของเราไปสนองเป็นวิบากกรรมของเราเพิ่มเข้ามาอีกเราพูดอย่างนี้เราพูดขึ้นมาแล้วเราก็ทิ้งศินไม่ได้ศินห้าแค่สินห้าเว้นฆ่าสัตว์เว้นรักทรัพย์เวน้นพระพุทธพิธีกามนั่นคือความโลภเอากายไปสนองแล้วนะมันนึกคิดในใจแล้วมันเอากายไปสนองฆ่าสัตว์รักทรัพย์พระพฤติพิดธนการมทำลงไปแล้วไม่เคยหายไปไหนตกผลึกเป็นวิบากกรรม ใครทำมากก็มีวิบากกรรมมากใครทำน้อยก็มีวิบากกรรมน้อยใครไม่ทำกายกรรมของคนคนนั้นบ่อริสุ์นี่เราดูไปสะท้อนไปที่ศีลห้านะถ้าไม่เราเข้าใจความหมายความสำคัญของศีลห้ามันทะงละอมาทางกายเอากายไปสนองไปพูดเท็จพูดอย่าพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจอ้อพูดหลอกลวงต้มตุนสารพัดพูดดา่าทอทาให้คนอืน่นเจ็บ ปวดหัวใจเนี่ยนี่เป็นวิบากกรรมตกผลึกเป็นวิบากกรรมได้รับความทุกข์เราไม่ใช่ทาหายทิ้งไปเฉยๆมีผลตกค้างเหลืออยู่ไม่ตั้งใจจะเก็บสะสมมันสะสมโดยหลักธรรมชาติเพรามันเพราะฉะนั้นเราพูดแล้วว่าธรรมะทุกบททุกบาศเนี่ยกับกรรมกับหลักของเหตุผลไปด้วยกัน ความไม่อยู่เท่าเดิมความไม่อยู่ของที่ก็คือหลักของกรรมหลักของเหตุผลขณะในขณะที่ฝนมันตกพรำๆลงนี้กิริยาที่มันตกมันก็เป็นกรรมมีเสียงมีรูปตกลงลงมากระทบหลังคากระทบน้ามีเสียงกระแทกเข้ามาที่หูเรานี่ก็เป็นกิริยาของกรรมแต่กรรมเหล่านี้พูะุทธเจ้าไม่ทรงบรรัญญัต เพราะมันไม่นําไปสู่ทุกข์สู่โทษมันไม่มีคู่กรณีแต่ถ้าเราฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติพินัยกามรมปั๊บมีคู่กรณีหัวใจมนุษย์กับหัวใจมนุษย์มันจึงมีโทษไม่เคยหายไปไหนที่บากคําเหล่านี้ไม่เคยหายไปไหนมีสี่ห้านะแล้วข้อห้าดื่มเหล้าดื่มชราดื่มน้ําเมาน้ําดองของเมา ไม่มีคู่กรณีทำไมพุทธิจาท่านห้ามตัวนี้แหละเป็นตัวสมุทยที่เป็นเหตุให้เราเนี่ยผิดศีลข้อหนึ่งก็ง่ายข้อสองข้อสามข้อสี่ก็ง่ายคนที่เมาแล้วเนี่ยควบคุมความประพฤติของตัวเองไม่อยู่ปกติมันสมองของเราเป็นปกติสมัยพ่อแม่เลี้ยงดูเอาเด็ข้องดิบค้ อ, องดีเลี้ยงแต่พอเราโตขึ้นมา ใจขนองอยากลองทุกอย่างสารพัดยาเมายาเมายาเมากินแล้วเมาอยากเมายาบ้ายาบ้ายาบ้ากินแล้วบ้าอยากบ้าลองไปหมดกินไปแล้วเมาจริงๆกินไปแล้วบ้าจริงๆรงิเพราะมันสมองของเรามันเป็นปกติของมันเราเอาวัตถุเหล่านั้นไปยอม มันเชื่อมประสานกับจิตคือใจของเรามันผ่านทางประสาทสมองพราะสมองมันมึนมันเมามันพลอยทำให้ใจเราเมาไปด้วยจะเอาไปใช้เป็นผู้มีสติมีสัมผัสยัญญากังคับควบคุมดูแลมันก็กากับควบคุมดูแลไม่ได้ธรรมะเกิดไม่ได้มันไปทำลายล้างสติมันตั้งอยู่ในฐานแห่งความประมาทเพระนาะฉะนั้นท่านิจรว่าสุรามีรยตั้งอยู่ในฐานแห่งความประมาท ขาดสติขาดสัมผััญญะขาดความระมัดระวังใครคนเมาพับผิดศินข้อหนึ่งก็ง่ายข้อสองข้สาข้อ ส, อสี่ผิดง่ายทั้งนั้นแหละถ้าขาดสติแม้แต่คนดีๆว่ามีสตินี่แหละแต่ถ้ามีอารมณ์โกรธเมาอารมณ์ที่เขาเรียกว่าชั่ววูบชั่ววูบชั่ววูบแม้แต่สามีภรรยาก็ฆแบ่บากันได้ เรามาพิจรารณาลงดูสินี่คือความเมาขาดสติขาดสัมผััญญะสิ่งวันนี้เป็นเรื่องของธรรมะทั้งนั้นนะธรรมะในหัวใจของเราเพราะฉะนั้นเราต้องมาฝึกม า, มาฝึกอบรมทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องศีลอย่างวันนี้เราสมาทานศีลแปคิดว่าทุกคนรู้องค์ประกอบของศีลแป มีผู้สมาพัฒาสมาทาสิญแปดิญแปเราจะพูดถึงหลักของสิลทั้งหมดนะทั้งสิน8ศสิญสิสินห้าสิญ8ศสิสิีของพระเจ้าประสงค์สิน311รอของน้ำพิษนีมันเป็นตะแกรงร่อนใจอย่างพวกเราเนี่ยผ่านได้ไหมรอดตะแกรงสิลห้าได้ไหม ไม่ฆ่าสักไม่ลักทรัพย์ไม่พูดพิณในการไม่พูดโกโหกไม่พูดเท็จเนี่ยไม่ดื่มชูรามะไรใครถือได้ตลอดชีวิตคนนั้นเนี่ยรอดตะแกรงไม่ค้างเทเลออย่ยงนั้นน่ะไม่ว่าใจของเราละเอียดรอดตะแกรงศีลห้าได้ตัดตะแกรงศีลห้ายังรอดไม่ได้ขยามาสมาทานศีล8ศีลสองิบเจ็มันจะผ่านไปได้ยังไงมันไัยผ่านไปได้แต่พิธีการเท่านั้นเอง โดยเนื้อหาที่แท้จริงเราทําไม่ได้เราผ่านไม่ได้สินแปดมันจะละเอียดเลืกก่ ucas ไปอีกนะอย่าลืมว่าสินแปดเป็นสินของพรหมจรรย์เสียด้วยสินแปดเป็นสินพรหมจรรย์นะที่เราสมทานเนี่ยข้อหนึ่งไม่ฆ่ า, าศาสตร์ข้อสองไม่ลักทรัพย์ข้อสามไม่เกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามไม่มีเพศสัมพันธ์เพศสัมพันธ์ไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกันครับสินขาดนี่นะสินแปดนะ แต่จะเป็นสินห้าไม่ขาดนะสามีภรรยาเกี่ยวข้องกันได้สินห้าไม่ขาดแต่ถ้าไม่ใช่คู่ครองของเราสินขาดนะเราฟังดูดี่พระพุทธเจ้าท่านมีนโยบายที่จะฝึกหัดใจของพวกเราให้ละเอียดเข้าไปเรื่อยละเอียดข้าไปเรื่อยคนที่สมัครใจที่จะรักษาสินแปดแสดงว่ามีความภาคภูมิใจกับศินแปดอยู่คนเดียวอย่างพร้อม พระมัจริยาอยู่คนเดียวอย่างพรหมประพฤติอย่างพรอมไม่เกี่ยวข้องตัดภาระเรื่องเหล่านี้ไปได้พระเจ้าท่านไม่ให้ความสําคัญไม่ให้ความสําคัญนะแต่ท่านต้องดูกรรมด้วยเหมือนอย่างพระองค์ทํากับพระนันท่านนั้นคิดดูสินันท์นแต่งงานใหม่ๆพาไปบวชเฉยเลยหละไปพาไปตอนนั้นวันนั้นเลยน ะ, ะนันท์ แต่งงานนันทนานเป็นน้องชายนะคนละแม่นันท้าแต่งงานกำลังชนบทขลยาณีนึเป็นนางที่งามที่สุดในชนบทนั้นเป็นใครก็ไม่รู้พระพุทธเจ้ามาสเสวยในงานแต่งงานถึงคราวพระองค์เสด็จกลับนิคโครธารามให้นันทาอุ้มบาดตาม นันทคุ้มบาตรตามด้วยใจไม่สมัครรับนะแล้วก็วเดินตามไปคิดใคร่ครวญไปพราแต่งงานกันเสร็จใหม่ๆอุ้มบาตรตามเราจะโดไนไหมเนาะเราจะโดนอีกไหมเนาะอุ้มบาตรตามไปถ้าพระองค์หันมาทีไรเมื่อไหร่จะมอบบาตรให้เราจะรีบกลับจะรีบวิ่งกลับที่จะไม่หันมาเดินไปจนถึงนี่กราธามหันมาอีกทีหนึ่งนันทเธอจะบัวหรือเราจะตอบยังไงเทอเนี่ยเราจะตอบยังไง นันทะเธอจะบัวหรือก็รู้อยู่นันทะแต่งงานเจ็บใหม่ ๆ, ๆเราดูสิให้ความสาคัญไหมโหดร้ายไหมวุฒิเจ้าเหี้ยมไหมพิจารณาดีนะเราตามท่านทันไหมตามท่านทันไหมถ้าเราตามท่านไม่ทันเราก็ตาําหนิท่านแหละพระองค์โหดเหี้ยมนายจะถามความสมัครใจนันทะานายจะถามความสมัครสมัครใจนางจนรถรดยา น, นีอยูไม่ต้องถามแหละ ลอยไม่ได้เรื่องระนี้ปล่อยเท่าไหรไม่มีอีกไม่มีพอซ้ำทราบรู้เห็นจําเจมาซ้ำทราบจนหน้าเบื่อนหน้าหน่ายสำหรับผู้เห็นโทษเห็นไผแต่สำหรับผู้ยังไม่เห็นโทษเห็นไผก็ติดข้องอยู่ในนั้นแหละ mm hmm. นั้นถ้าไม่รู้จะตอบอยังไงบวชไม่ชอบข้าบวชจต่ปากนะ <laughs> ใจไม่ได้บวชต้องก็เอหิพิคุปสัมพทธาบวชเป็นพระขึ้นมา นั่นทาก็ตั้งใจภาวนาก็ภาวนาไม่ได้ถึงนานนี่แหละบางวันพระองค์ก็เดินเสร็จไปเยี่ยมเป็นไงนั่นท่าภาวนาไม่ได้พระเจ้าค่าคิดถึงแต่ น, นานพิจารณบทใครกันเหมืออาหารอร่อยชอบใจที่สุดโดยเฉพาะนายังมาทันได้เข้าป่าเดินลุกหนีไปที่อื่นเฉยจิตใจจะเร่าร้อนขนาดไหนมาคิดเทียบเทียงดูเออไม่ยะกไม่ยากไปไปพาไปดู ที่ว น, นันท่านเนี่ยติดรูปติดรูปติดรูปแฟนสาวนั่นแหละโรงพาไปดูพาไปดูนางฟ้าผ่านนางลิงไปผ่านนางฟ้าชั้นต่ําๆไปเราไปด้วยพุทธานุพุทธพุทธ พ, พุทธานุภาพไปทํายังไงได้หมดเราพุทธเจ้าอมเห็นนางฟ้าชั้นต่ำๆเป็นไงนางฟ้างามไหมงามพระเจ้าค่ะงาม เห็นและชมว่างามเอาแล้วนาชนบทกัลยาณีของเธอเป็นไงโอ้ยเหมือนนางลิงที่ผ่านมาเมื่อกี้นะพระเจ้าค่ะไปแล้วใจมันไปแล้วใจมันเปลี่ยนไปแล้วไปดูนางฟ้าชั้นนั้นชั้นนั้ น, ช, น, น, นชั้นสูงขึ้นไปละเอียดขึ้นไปยิ่งงามจนนั น, นทานาสันเธอไม่อยากได้อยากได้ไหมอยากได้ไปเจ้าค่ะอย่างนั้นลงจากนี้ไปให้เธอตั้งใจภาวนานะเราประกันเราจะเอาให้นันทา เรารับประ ก, กันเราจะเอาให้พอลงมาเท่านั้นนันทะตั้งใจภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาปฏิกรรมยังไงเราก็ไม่ทราบนาะฮะปฏิกรรมหนึ่งนางฟ้านางฟ้านะฮะมูเพื่อนทั้งหลายเห็นก็เป็นเรื่องแปลกนันทะขยันเดินจงกรมนั่งภาวนาเมื่อก่อนทําไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวนี้ทำไมขยันเดินลูกเกินหลายวันเข้า หลายวันต่อต่อมาเข้าเครื่องมันแตกเรื่องมันแตกวันนั้นท่านอยากภาวนาเพราะอยากได้นางฟ้าคนนั้นก็ซุบซิิบคนนี้ก็ซุบซิบอุ้ยมันน่าละอายคันะคือมูเพื่อนทั้งหลายเขาต้องใจภาวนาอยากได้อาจได้ทำอยากได้มรรคผลนิพพานนั้นถ้าภาวนาอยากได้นางฟ้าทายแ้วพวกเราฟังให้ดีนะภาวนาอยากได้นางฟ้าเนอะระวังให้ดีเนะเชี่อใจ ้เทียวบุญย่ําได้เทียวยย ว, วัธิรานระวังใลยดีนะ <c oughs> พอเกิดความละอายไอ้ความละอายหิริความละอายแก่ใจนี่มันเกิดที่ใจของเราเราสามารถจกออกได้โอ้ยเจ้าปัญหาทําให้เราได้รับความอับอายในใจคือนางฟ้านะตัดใจทิ้งเลยจากนางฟ้าใหมใจมันตัดมาแล้วจากนางชนบทกเรยานี มันตัดมาเรื่อยตัดมาเรื่อยตัดมาเรื่อยมันจะถึงนางฟ้าเป็นเจ้าปัญหาทั้งนั้นเลยตัดออกใจเป็นอิสระตอนนี้อพอใจเป็นอิสระตั้งแต่เผ่าหนาไม่นานได้มันรธรรมแน่เห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านมองทะลุไหมถ้าเราตามท่านทันไหมเราถามท่านไม่ทันวิธีของพระพุทธเจ้านี่เราพูดแง่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้ความสําคัญ มันซ้ำซากอยู่งนี้ไม่จบดอกไม่จบต้องตัดแต่เหตุสามารถตัดได้ทําได้มันจะต้องมีเหตุเพราะมันใครเคยฟังประวัติปู่จันทาบ้างอ้าปู่จันทาท่านได้เมียไม่ห่างไม่ห่างทู้อย่างไม้ไม่ห่างเมียแก่เมียเก่าของเขาเนาะไมได้อ มีหเท่าหัวหนม่มงั้นเถอะทำอะไรก็ไม่ถูกใจทำอะไรก็ไม่ถูกใจทำอะไรก็ไม่ถูกใจทำมาหากินก็ไม่ถูกใจนุงกุญธาท่านเป็นคนมีบุญเน่ไปหาปูหาปลาหาอะไรก็หาไม่ได้หรอกคือไม่อื้ออนวยกับความชั่วคนที่มีบุญนะหาค่าตัะหาอะไรไม่ค่อจะได้ครับเวลากลับมามีห่าไม่เห็นอะไรก็โอ้เมียก็ด่า ไปหาอะไรกลมาไม่ได้เมียก็ด่าให้วันหลังที่น่าเบื่อนายที่สุดมาเห็นเด็ค่องข้องเขาใส่คือเด็กข้องเปล่าๆไม่มีอะไรปลาสักตัวกบสักตัวก็ไม่มีเอาไปโยนใส่เอาอยืนประสบทาทารุณเหลืนตายแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเราฉันถ่านหนีมาบวบเบื่อนายหนเห็นไหมไม่มีเหตุให้เบื่อหนายแนละ้ว ภูเขาเนี้ยไี่ได้เบื่อนายเห็นไหมประวัติของภูเขาใครได้ศึกษาบ้างภูเขาท่านเป็นในร้อยนะคําว่าในร้อยคือเป็นหัวหน้ากองเกวียนไปค้าขายที่นู่นไปค้าขายที่นี่นะบางทีก็ไล่ควายต่างเป็นฝูงฝูไล่โคต่างเป็นฝุงฝูงไปขายในต่างถิ่นต่างแดนไปขายทางนุง่นขเขมิ้นต่ําบ้างไปขายทางภาคกลางบ้างท่านทวีสาน ถ้าีปัญหาถ้าหากินปรรยาอยู่เท่านี้ก็มีโชว์นี่เนี่ น, น, นี่มันมีเหตุกระเทือนที่จะทำตัวได้มันมีเหตุที่เขาก็บอกไปครั้งแล้วครั้งเล่าเขาก็บอกอย่างงั้นอ่ะครั้งสุดท้ายก็เลยทําท่าไปเหมือนเดิมเลยแต่วอกกลับมามัาดูมาสังเก็ต ด, ดูเห็นจริงจริงสมัยนะั้นก็มีมีดาบเป็นอาวุธใช่ไหม ไปก็โอ้จะเอาทั้งสองก่นแหละคิดไปคิดมาโอะเลยหยุดเลิกเบือ่อนายคราจาและทิ้งไปเลยที่แรกว่าที่แรกว่าจะเอาทั้งสองแลยเนะี่ยจะ <c oughs> ขาดความโมโหโตัวโสเราดูรีเดทเข้ามาลองดูเวลามีอะไรมาขัดมาข้องมาคานี่คือเหตุที่ทำให้ออกได้และครูบาอาจารย์เหล่านี้ออกมา ออกมาแล้วเป็นเพชรน้ำหนึ่งทั้งนั้นเลยนะเป็นเพชรน้ำหนึ่งบุญบา ร, รมีท่านมีมันมีเหตุบรรดาให้ท่านต้องเป็นไปอยู่อย่างนี้ลงด้รับความสะดวกสบายน้อยอิงอยู่อย่างนั้นแก่เท่าชะตาตายเกิดใหม่อีกอยู่สะดวกสบายแก่เท่าชรตาตายเกิดมใหม่อีกจะมีสิ่งใดบ้างที่จะบรรดาให้ใจได้รับความกระเทือนใจเพื่อที่จะออกจากกามมันไม่มี มีจะมีจะเรื่องเหตุผูกพันให้เราติดข้องอยู่ในกามอยู่ร่ำไปโอกาสที่เราจะออกไปจะยากมีเราพูดถึงเรื่องอะไรนะเราพูดถึงเรื่องเหล่านี้เราพูดถึงเรื่องศินสินข้อสามสินพรหมจันทร์ศินแปดเนี่ะมันไม่เหมือนสินข้อสามของสินห้านะอ่าสินข้อสี่เหมือนกันสินข้อห้าเหมือนกันศินข้อที่หกสินห้าไม่มีมีแต่สินแปดไม่รับทานอาหารในยามวยกาล ยามวิการหมายความว่าหลังจากเที่ยงไปจนถึงอารุณขึ้นวันใหม่ไม่ใช่หลังเที่ยงคืนนะไม่ใช่จนสว่างวันใหม่นะทางศาสนาท่านใช้คาว่าอารุณขึ้นวันใหม่นี่เป็นเป็นยามวินอกนั้นเป็นยามวิการอารุณขึ้นปั๊บเป็นการหลังเที่ยงปั๊บเป็นวิการทั้งคืนเป็นวิการทั้งหมดไม่รับทานอาหารในะยามวิการ อย่างพวกเราอยู่วัดเราตัง้งใจ บ, บาเพ็ญพวกเราก็รับรับปานะรับโกโก้รับกาแฟโกโก้กาแฟนี่เขาไม่ถือว่าเป็นอาหารเป็นประเภทสัตตาหากาลิกปานะเป็นยามกาลิกไม่ใช่ยาวะยาวกาลิกนะอาหารทุกอย่างเป็นยาวะกาลิกรับแล้วฉันถึงเช้าชั่วเที่ยงหมด ที่อย่างลังบ่ายไปรับทานอาหารไม่ได้แต่ประเภทยามกาลิกตอนบ่ายก็ฉันได้กล้งคืนก็ฉันได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงหนึ่งวันกับหนึ่งคืนยามกาลิกคือปานะแต่ต้องทําให้ถูกนะการทําปานะต้องทําให้ถูกต้องทําด้วยผลไม้ที่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เท่ากับแตงโมงไม่ใหญ่เท่ากับส้มโอใหญ่ไม่เกินผลมะตูม ทำได้ถ้าผลมะตูมใหญ่ๆเราก็ไม่เอากันเราก็ไม่ทํากันพวกสม้มพวกกล้วยกล้วยตีบกล้วยน้ําว้ากล้วยอะไรทได้หมดน้ําปลาหนะอ่าพวกลำใหญ่แม้แต่งเงาะอเงี้ยทุเรียนเนี่ยไม่ได้ถือว่าผลใหญ่มหัาผลผลไม้ใหญ่เป็นมหัาผลทําแล้วก็กรองสองครั้งสามครั้งกรองกันไม่มีกะไม่จำเป็นจะต้องไปกรองแปดผลนะ เหมือนอย่างเขาเรียกว่าภาษาบาลีเขาเรียกว่าอัฐบาลอัฐบาลอัฐบแรี่ว่าแปดบางคนก็ไปกรองแปดหนมันไม่ถึงขนาดนั้นดอกคาว่าอัฐบาลอัฐบาลในที่นี้หม well. ายความว่าผลไม้ที่มันมาในพระบาลีที่ท่านให้เราทําปนานา น, นั้นมันมีอยู่แปดอย่างที่เรียกว่าอัฐ บ, บ, บ, บาลอัฐบาลผลไม้ที่ทรงนายกอนุญา ต, ตไว้ในพระบาลีมีแปดอย่างที่เรียกว่าอัฐบาล น้ำอัฐบาลมีผลมรา้างเนี่ยผลกล้วยกล้วยตีบกล้วยหอมกล้วยน้าป้ากล้วยอะไรได้หมดผลสม้มเนี่ยล้าหุดนเนี่ยมังคุดเนี่ยได้ได้ตอนนี้ได้หมดแต่เวลามาสรุปก็สรุปว่าไม่เป็นมหาผลเนี่ยมะพร้าวก็ไม่ได้ส้มโอไม่ได้แตงโมไม่ได้ผลอะไรก็ตามที่ใหญ่กว่าผลมะตูมไม่ได้ นี่คือปานะทําให้ถูกด้วยทําให้ถูกแต่ปานะมันเป็นเรื่องของอนุปัมฐันธรรมนะจนมากเขานิยมทําถวายพระไม่ใช่พระทำเองต้องอนุปัมฐันธรรมนะทําแล้วก็ยอดเข้าไปน้ําหมักเมาอย่างเงี้ยน้ํากระเจี๊ยบเนี่ยยอดเข้าไปที่น้นําตาลเกลือ น, นิดหน่อยหน่อะมะนาวอย่างเงี้ยยอดน้ําตาลเข้าไปหยอดเกลือเข้าไป ฉันปานะได้ฉันแก่หิวตอนบ่ายตอนคำ่ำเยี่ยงนึงโกโก้ได้กาแฟได้โอวันตินไม่ได้จาไว้ด้วยโอวันตินไม่ได้เล็กตาซอยไม่ได้ถือว่าเป็นอาหารนมสดนมข้นไม่ได้แต่เนยได้เนยใสเนยข้น น้ำพึ่งน้ำอ้อยน้ำตาล น, นี่สั ต, ตาหากาลิศพอเรารับแล้วฉันได้เจดวันถ้าเป็นพระนะแต่พวกเราพวกเราเป็นพระวา่าอนุปสัมบันิพวกเราทั้งหมดเขาเรียกอนุปสมบัตผู้ไม่ได้บวชออนุปสสมบันิกินตอนไหนก็ได้ทําตอนไหนก็ได้เขาทากินได้เพราะมันไม่ใช่อาหาร นี่หมายความว่าเราพยายามทําองค์ประกอบคือสินของเราให้บริสุทธิ์สีนนี้เราตั้งใจทําให้บริสุทธิ์แค่อนิสง์รักษาสินนี่โอ้โหยิ่งใหญ่ไพศาลเราไม่ต้องมาเกิดในโลกมนุษย์มิชัน ท, ที่นี้อีกต่อไปละศินจะส่งผลให้เราเกิดในที่สูงที่ละเอียดที่ประณีตและไม่ต้องมาได้กายนกหนักหน่วงเหมือนอย่างที่พวกเราได้ทุกวันเพราะกายมันหนักมันประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟ แล้วก็นอกจากนั้นมันก็เป็นรังของโรคอีกตั้งหากใช่ ไ, ไหมมันรังของโรคโรคตับโรคไตโรคปอดโรคมะเร็งเร น, นี่เจอกันบ่อยมากเรื่นี้เบาหวานความดันเสี่ยงโรหิดแต่ในสมองสารพัดที่มันจะเป็นเจอกับใครเจอกับตระกูลใครเจอกับพ่อแม่ของใครลูกหลานของใครทุกทรมานจนตายคนเป็นก็ทุกทรมาน คนไม่เป็นที่เป็นญาติก็ทุกทรมารดูแลจนตายนี่คืออัตภาพร่างกายหนักแต่พวกเขาไปเกิดบนสวรรค์เขาไม่ได้ร่างกายหนักนะเขากายทิพนะเขาไม่ต้องไปเข้าท้องคนด้วยไม่ต้องไปเกิดในครันไปโอปปปาธิกาตกำ เ, เนิดพุดขึ้นด้วยอำนาจของใจนะเพราะกรรมส่งผลให้เขาได้ไปรับอย่างนั้นสมควรจะได้สวรรค์ชั้นจะตุ้มดาวดึงยามา ในเทวโลกหกชั้นเน่ยเราก็สามารถทําได้ตั้งใจให้ทานอย่างยิ่งตั้งแต่รักษาศีลอย่างยิ่งเราจะไปะเกิดบนพรโมโลกนะยิ่งเราได้ศึกษาเรื่องศีลเรื่องธรรมด้วยแล้วมันเป็นเรื่องละเอียดทําให้เราได้พัฒนาศีลธรรมของพระพุทธเจ้ามุ่งสูงม่มรคนิพานตราบใดที่เราไปยังไม่ถึงที่พักเหล่านั้นแหล ะ, ปะเปรียบเสมือนที่พักริมทาง เราเดินทางไปเหน็ดเหนื่อยเราก็พักริมทางพบชาติแต่ละพบแต่ละชาติที่เราไปยังไม่พ้นอ่ะคือที่พักริมทางของเราถ้าเราไปได้ที่พักริมทางที่ไม่ดีเกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่ไม่ดีของเราแล้วเป็นยังไงฮนะไปเป็นสัตว์เดริชานี่ยพอใจไหมเป็นสัตว์เปรตนรกอสุรกา ย, เ, ยเป็นสัตว์นรกลึกๆอาเวกีมาราท็งอย่างนี้นี่นี่คือที่พักริมทางที่ไม่ดีเราพอใจไหม ทั้งวันทั้งคืนก็สวยแต่วิบากกรรมแห่งความทุกข์มันไม่เหมือนบนสวรรค์เนนะี่ยวันคืนลงไปสวยวิบากกรรมแต่ความสุขเพราะผลต่างกันจากพฤติกรรมที่เราทำแตกต่างกันเรามาคิดดูซิคนหนึ่งให้ทานคนหนึ่งไม่ให้ทานท่านิงทีเหนียวอยู่นั่นแหละเบียดเบียนน้องจ้านั่นก็ชอโกงรับเล็กขโมอยน้อยอีกคนหนึ่งฆ่าสัตว์คนหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์เนี่ย คนหนึ่งไม่ข่ า, าสตัตว์กับคนหนึ่งข่ า, าสตัตว์ผลมันต่างกันเนะี่ยคนหนึ่งชอบผิดประเวณีเนี่ยคนหนึ่งไม่ชอบผิดประเวณีคนหนึ่งไม่ผิดศีลไม่ไม่ผิดศีลเลยเนะี่ยมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นใจมันละเอียดไม่เหมือนกันมันหลอดตะแกรงแค่ตะแกรงร่อนศีลห้าก็หลอดไม่ได้เราไม่ต้องพูดถึงตะแกรงศีลแปดหลอดไม่ได้ศีลแปดวิการละพยาณาเนี่ย เราตั้งใจทำจริงจังก็มันไม่เห็นยากอะไรศสียนข้อ6กีนวิการโภชนาเนี่แหละลูกน้องอนาาัฐาปิณฑิกาเสียถีรักษาแค่ครึ่งคืนเท่านั้นตายไปเป็นลูกคาเทวดามีอนุภาพยิ่งใหญ่นี่ท่านมีประวัติเล่าเอาไว้ในพระตไตรปิฎกไปอ่านดูลูกน้องอนาาัฐาิณฑิกาเสียฐีน่ะอนาาัถาปิณฑิกาเสียฐีถึงวันพระวันโอเบสดจะพาลูกน้อง ในบ้านในโครวเรือนทั้งคนใช้ทั้งคนในบ้านเนี่ยสมาทานสิ้นแปลกหมดเลยนะพอดีนายคนนั้นเนี่ยเข้าไปทำงานใหม่ไม่รู้กติกาของเขาเขาไม่ได้บอกแต่เช้าขึ้นมาลุกไปที่ทำงานน่ะแล้วก็ต้องมีคนเอาข้าวไปส่งปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยเขาไม่ออกไปทำงานเราไม่มีใครเอาข้าวไปส่งนายคนนี้อดข้าวทั้งวันพอกลับคืนมาเขาก็เลยเล่าให้ฟังนายนี้ก็ยังไม่ได้กินข้าวตนะั้งแต่เช้ามานะ โอ้บ้านนี้พอถึงวันพระเขาจะสมาทานรักษาสิ่กันแม้แต่เด็กเล็กเนี่ยเขาให้สมาทานสิ่งแปดเราดูสิคนในสมัยนั้นเขาสนใจถึงขนาดนั้นนะคนอายุนั้นในสมัยนั้นนะายคนนี้เห็นก็พู่อมอยากได้โอ้อยผมอยากได้จะทําไงเนี่ยผมอยากได้จ ะ, จะทําไงแต่อายุการรัโภชนารับทานอาหารในยางวิการน่ะยังไม่ได้เอาอะไรเข้าป่าเลยนะท้องยังว่างอยู่เนี่ยพอเขาบอกได้ได้ได้ได แต่รับทานอาหารนิยมวิการไม่ได้นะยอมพอใจรับเอาอยู่ไปได้สักพักหนึ่งวังั้นอารมณ์มันตีคนไม่เคยอดเรารมันตีตายคืนนั้นเองแต่ปเป็นรุกคเทวดามีอนุภาพยิ่งใหญ่เนี่ยลูกน้องทนะ่าปินฑิกาเสียถีเนะี่ยเขาเล่าประวัติเอาไว้ไปเป็นรุกคเทวดาที่ยิ่งใหญ่สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้รุกคเทวดาคือเทวดาอาศัยอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ๆต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่เทวดาเขาอาศัยอยู่ทั้งนั้นแหละ มีอยู่คราวคราวครั้งหนึ่งฤาษีอยู่ป่าเนี่ยเดินทางออกจากป่าไปสู่ละแวกบ้านไปเห็นร่มไม้นะ่ะครึม้มก็เลยไปพักร่มเงาเย็นสบายโอ้ต้นไม้ร่มครึม้มน่าจะมีเทวบุทเทวดาสิงสถิตยอยู่นะถ้ามีจริงช่วยบรรดาหายน้ำช่วยบรรดาล น, น้ามาให้ได้ดื่มได้ใช้สอยบริพกคงศหน่อยเถอะอ่า กลาป็นวันน้ำไหลจกัจกจงจัมาจากไหนก็มนกไม่ร <laughs> oh, ู้เทวดาเอามาให้โอ้เทวดามีสิงสิทธิ์อยู่จริงโอ้ย oh, ยังหิวกระหายอาหาร <laughs> อ่าช่วยบรรดาอาหารให้ได้บริโภคได้ดื่มได้กินด้วยเถิดอาหารกําลังไหลเขา้ามาทำให้ฤาษีเหล่านั้นได้บริโภคอาหารได้รับรสอาหารข้าวปลาอาหารก็เลยถามเอ๊ะ eh, ท่านมีฤทธาสักดานุภาพยิ่งใหญ่ขนาดนี้ท่านทาบุญด้วยสิ่งใดเนอท่านจิงได้โอ้ยไม่อยากบอกอายรักษาศีลแปดแค่ยังไม่ถึงครึ่งคืนอัอนนี้ส์งรักษาศีลแปดอดอาหารในอย่างวิการยังไม่ถึงครึ่งคืนนะตายอั น, นิี้สองมนได้ยิ่งใหญ่ถึงขนาดนี้ถึงขั้นนี้ระดับนี้นี่เป็นผลเป็นอานิสงส์ที่บุรณาจารย์ เรื่องบางอย่างเรื่องบางเรื่องพระพุทธเจ้าท่านมาตรัสให้ฟังนะท่านเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเรื่องวิกฤตพิสดารเรื่องอัศจรรย์ทั้งหลายทั้งปวงในพระศาสนาเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นมาลอยๆนะพระพุทธเจ้าท่านเล่าให้ฟังนะสัพพัญยูสัพพัญยูรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่รู้อย่างพวกเรารู้รู้สิ่งนั้นติดตามสิ่งนี้รู้สิ่งนี้ติดตามสิ่งนั้นสว่างตรงนี้เข้าใจตรงนี้มืดตรงนั้นติดตามตรงนั้นสว่างตรงนั้น มืดตรงนี้สว่างตรงนี้มืดตรงโน้นแต่พระองค์เนี่จ้ารอบทิศทางไปหมดแต่ไม่ให้นนหลับตื่นลืมตาขึ้นมาแล้วก็ได้โอ้ยสร้างบารมีที่ยิ่งใหญ่ยิ่งยวดกว่าจะได้บุญญาธิการถึงขั้นเป็นพระพุทธเจ้าอีหลวงพ่อมีเวลาสองชั่วโมงนะตอนบ่ายใช่ไหมใช่ไมธรรมบริกร เดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดไปอีกสักพักหนึ่งหลวงพ่อจะนั่งภาวนาไปสักครึ่งชั่วโมงพาภาวนาสักครึ่งชั่วโมงพวกเราก็นั่งภาวนาไปด้วยฟังไปด้วยเล่าเรื่องประกอบให้พวกเราได้ยินได้ฟังเพื่ออะไรเพื่อเกิดความเพิ่มใ ส, ส่ศรัทธาศรัทธาเราถึงพร้อมความอุตสาห์ความพยายามความมุ่งมั่นความมีแก่ใจมันก็เพิ่มพูนทวีคูณขึ้น มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แก่เรามันเป็นอาหารของใจเรื่องนี้มีความจาเป็นมีความสำคัญอยูอ่พวกเรามีส่วนกายด้วยพรกเรามีส่วนใจด้วยเมื่อกี้เราพูดถึงสินข้อหศสินข้อเจ็สินข้อเจนัจคีมาลานัจคีข้อหนึ่งมาลาข้อหนึ่งรวมเป็นข้อเจถ้าเป็นสมณเณรเขาจะแยกนะ นักจะขี่ข้อหนึ่งมาลาข้อหนึ่งนักจะขีไม่ให้ร้องรำทำเพลงและไม่เข้าไปฟังร้องรำทำเพลงขับประโคมดนตรีหาความไภระเพราะริงหาความสำราญทางอารมณ์อีกข้อหนึ่งแล้วก็ไม่ประดับประดาตกแต่งร่างกายประดับประดาตกแต่งร่างกายร้องรำทำเพลงเรื่องหน้าของความลุ่มหลง แต่เราฟังเสียงเพลงที่เป็นธรรมะฟังแล้วทําให้เราทราบซึ้งในธรรมะทราบซึ้งในคุณของศรรีลทราบซึ้งในคุณของธรรมเช่นอย่างมันมียุคหนึ่งที่เพลินพรมแดนเขาร้องประวัติหลวงตาเพลินพรมแดนเขาร้าองเพลงประวัติหลวงปู่มั่นแต่เขาเอาเนื้อหาที่หลวงตาท่านเขียนอยู่ในหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นไปร้อง เนื้อหาคําพูดมันเป็นเนื้อหาที่มีอยู่ในหนังสือที่หลวงตาท่านเขียนปรากฏว่าเขาเรียบเรียงออกมาออกฟังออกมาโอ้โหจิตใจทราบซึ้งมันทําให้ถึงจิตถึงใจได้เหมือนกันบางอย่างถึงกับน้ําตาไหลน้ําตาร่วงเหมือนอย่างท่าก็ร้องถึงประวัติหลวงตาตอนที่ท่านพ้นทุกข์ไปแล้วเนะี่ยท่านคิดถึงโยมบรรดาของท่าน ตอนนี้โยมนาอยู่ยังไงเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยใครหนอคอยดูแลอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ได้รับความซาบซึ้งจริงใจมันก็เป็นเหตุฉลมใจของเราให้อ่อนให้ลึกให้ซึ้งให้ระลึกลึกบุญนึกคุณในหัวใจของเราถึงผู้มีพระคุณเนี่ยพวกนักแสดงทั้งหลายนักดนตรีนักอะไรอะไรทั้งหลายแม้แต่นักฟอง อะไรตทั้งหลายเนี่ยเขาพยายามทำแล้วก kind of ็พยายามแทะคติธรรมทั้งน to ั things, <See you. S 1> ้นแต่ถ้าหากเราฟังเสียงที่เป็นคติธรรมอย่างนี้ทําให้เราได้ประโยชน์นะมันไม่เป็นเหตุทำให้เราร้องรํำทาเพลงด้วยความลุ่มหลงแต่ถ้าร้องด้วยความคึกขนองสังิงเนี่ยติงตังติงตังติงตังเนี่ยยุคแย่เก่อกวนใจของเราให้กําเริบ ไห้กามในใจของเราคำเริ่มนี่คือกิเลสกวนใจก็ปพายุแย่ทําให้ใจเราเกิดกิเลสคำเริ่มในใจของเราอันนี้ถ้าเราถือสินขออ้อ น, นี้ปับ๊บเราก็ไม่แสดงสิ่งเหล่านี้มไม่ประดับประดาตกแสงร่างกายร่างกายของมนุษย์เนี่ปฏิกูลโสโครกของเราของใครของท่านเหมือ น, นกันหมดถ้าหากเราไม่ดูแลทำความสะอาดให้เป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยมันจะน่าเกลียด หน้ารังเกียจน้าเสียอิสเอียนถ้าเราทำจัดการชำระให้สะอาดไม่เป็นการประดับประดาตกแต่งจำเป็นเหตุให้หลงตัวเองเพื่อเป็นการหลอกล่อให้คนอื่นหลงอีกด้วยอันนี้ก็ถือว่าเรารักษาความสะอาดให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นเพราะมนุษย์นี่ปฏิกูลโสโครดแลดูกลิ่นที่แ ท, ท้จริงของมนุษย์กันแล้วกันนะดูไปเถอะดมดูกลิ่นที่แ ท, ท้จริงของมนุษย์อย่าไปดมตะยาหอมอย่าดมนะ ปริ้นที่ได้จริงคืออะไรเป็นยังไงนะถ้าเราไปรักษาความสะอาดทานนทาหนี้ทาอะไรเพื่อไม่ให้ของปฏิกูลเหล่านั้นมันเป็นเหตุอุจจารตากับตัวเองด้วยกับคนอื่นด้วยรักษาเกิดความสะอาดไม่หลงตัวเองอันนี้มันก็ยังเป็นธรรมแต่ถ้าทาแล้วทำให้เราหลงตัวเองก็หลงเ ป, เป็นเหตุหลอกล่อให้คนอื่นหลงอีกด้วย มันไม่หลงในยังไงอ่ะตัวเองแต่งเอ ง, ต, เองตัวเองก็หลงเองจุ ป, ปาเองสวยเหลือเกินงามเหลือเกินมันเป็นได้นะดูในหัวใจเราเราจะรู้ศีลของพระเจ้าท่านให้เราถือเกิดประโยชน์นะละเอียดไหมตะแกรงตัวเนี้ละเอียดไหมเราจะลอดได้หรือเราจะค้างถ้าใจเราละเอียดเราก็ลอดได้ตะแกรงอันนี้สินแปนี่ยเราลอดตะแกรงสินแปได้ใจละเอียดแล้ว ท, ทั้งหลายอย่าห่วงไม่ต้องห่วงเลยแหละ ที่ไปคติที่ไปท่านไม่ต้องห่วงหายห่วงแน่แนแค่ศินห้าก็เถอะขอยเราลอดตะแกรงสินหายได้ก็แล้วกันใจของเราละเอียดพอลอดได้ถ้าใจของเราหยาบตะแกรงสินห้าก็ลอดไม่ได้เอลอดทั้งสินห้าก็ลอดศินแปดเราก็ลอดลาดไปทั้งศินห้าสิ น, 5, สนแปดในขณะเดียวกันเลยเอาเลยในเมื่อเราอยากได้อยา่างดีอยางมีอยากเป็นเหมือนท่าน เราก็ต้องมุกมณนะทำให้ได้เอาให้ได้เพราะการฝึกฝนเนี่ยเราจะไปมองเป็นอื่นเราก็มาฝึกฝนเรื่องเหล่านี้แหละพฤติกรรมเก่าๆของเราของท่านมันจะเหมือนกันหมดบางยุคบางการบางคราวเราไม่ได้ฝึกฝนอบรมเพราะเหตุที่เราไม่ได้ฝึกฝนอบรมใจของเราเมื่อก็อยู่ยัางอยู่อย่างางั้นแหละอยู่อย่างจำเจอยู่อย่างชินชาอยู่อย่างงั้นแหละ แ, แล้วไอ้พฤติกรรมที่เราทำแต่ละวันแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันก็สะสมจนเป็นเหีุยได้เกิดเกิดราคะจริตโทสะจริตโมหจริตวิตตกจริตพุทธิจริตอะไรจริตต่างๆที่เราถือเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากความชอบใจของเราที่เราทำเอามันไม่ใช่เกิดขึ้นจากอะไรนะจอดไปที่ไหนจอดมาที่ใจดวงนี้จะไปจอดที่คนอื่นน่ะ พ่อแม่ท่านไม่ได้แบ่งปันอะไรให้เราดอกท่านแบ่งปันจะเลือดเนื้ออะไรยวะสามสิบสองเนี่ยท่านให้พ่อกับแม่ไปประกอบกันในท้องแม่แล้วเราก็อยู่ดูดเนื้อดูดเลือดแม่อยู่ในท้องแม่ 7, 8, 9, 9, เจ็ดแปดเดือนเก้าเดือนคลอดออกมาก็อาจะได้อวัยวะสาสิบสองเนี่ยผมขนเลือฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเอามาจนหมดจนครบหมด แต่พฤติกรรมเหล่านี้กิริยาเหล่านี้มันไปกับกรรมในใจของเรา น, นั้นเป็นแค่ดินน้ําลมฝ่ายเท่านั้นเองร่างกายของเรามันมีสองส่วนส่วนกายและก็ส่วนใจทั้งกรรมทําลงไปแล้วก็เป็นกายะกรรมแต่มันก็มาจากใจนั่นแหละทั้งวายจารวิจีกรรมทําไปแล้วก็เป็นวิบากกรรมทางวาจารวิจีกรรมแต่ก็มาจากใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นตัณหาในหัวใจของเรา เป็นคำรวมคำมตัญหาเป็นคำรวมแปลว่าความอยากความริวนความเทอทยานของใจเราไม่ต้องไปดูว่ามันมีอยู่ที่ดงนั้นโคกนี้ดอนนั้นภูเขาลูกนั้นลูกนี้ดูมาที่ใจเราเห็นเดี๋ยวนี้ดูมาเดี๋ยวนี้เราจะเห็นเดี๋ยวนี้ความอยากในใจของเราแต่ระดับของความอยากเนี่ยเราแก้มันยากเหมือนกันนะมันมีสองสามระดับคามตัญหา ว่าตันหาวิภาวะตันหาละเอยียดไหมละเอียดเข้าไปอีกละเอียดเข้าไปอีกวิภาะตันหาละเอียดเข้าไปอีกเกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่ใจของเราไปเกี่ยวข้องแล้วเราก็ติดแล้แลกวก็ข้องเราก็ผูกพันแล้วติดว่าแต่ภาวะใดก็ตามที่เราเกี่ยวข้องไปแล้วมันทําให้ใจเราได้รับความสุขใจมันก็ติดใจเรามันเลือกข้างนะใจใจของเราของท่านมันจะเหมือนกันหมดมันเลือกข้าง อันไหนดีมันชอบอันไหนเป็นเหตุให้ได้รับความสุขมันชอบอันไหนเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์นี่มันไม่ชอบมันเลือกข้างทาไมมันจึงเลือกข้างเพราะมันมีตัวรู้มันมีความรู้มันมีผู้รู้มันมีผู้ทํางานมันมีผู้ยึดมันมีผู้รับรู้แต่ถ้าเราเป็นต้นเสาต้นหนึ่งก้อนหินก้อนหนึ่งมันไม่มีผู้รู้มันจะมีอะไรมายึด เป็นมอนลูกหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรไมายึดมันไม่มีอะไรไมายึดอ่ยมันไม่มีวิญญาณครองแต่กายใจของเรามีวิญญาณครองใจมันยึดความโลภความโกรธ ร, ราคะตันหามากับใจของเราใจของเราก็ไม่ได้โหดร้ายมาตั้งแต่ดั้งเดิมสิ่งเหล่านี้ใครมีมากคนนั้นสังสมมามากใครมีน้อยคนนั้นสังสมมาน้อย มันไม่ใช่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมในเมื่อมันมีมาแล้วเราแก้มันยากทำไมมันจะไม่ยากไม่ใช่เพวกเราเพิ่งเกิดชาติสองชาติไม่ใช่เกิดมาคนละไม่รู้ตั้งกี่อาสงไข่กลับมาแล้วถ้ารู้คือใจของเรามันไม่ใช่มันเพิ่งเกิดนะถ้าเราระลึกย้อนหลังได้เหมือนอย่างพระพุทธเจานะ้าออ้ยเป็นกับปเป็นสังวัตตะกับเป็นวิวัตตะกับเป็นสังวัตวิวัตตะกับเป็นอสงไขกลับ เป็นระยะเวลาที่โน้นานเกิดตายเกิดตายเกิดตายนับไม่ครบนับไม่ทั้วมันสังสงมาอยู่อย่างนั้นยังไม่จบไม่สิ้นไม่ใช่เราเพิ่งเกิดชาติสองชาตินี่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นกิเลสในใจของเราที่ใจมันยึดมันติดเนี่ยมันจึงเหนียวแน่นมั่นคงเอามันออกได้ยากมากถึงยังไงก็ตามมันก็สู้ปัจจุบันธรรมไม่ได้มันโผล่ขึ้นมาพับเอาปัจจุบันปัจจุบันธรรมตัดได้เลย ปั จ, จุบันธรรมสติธรรมสัมปชัญญธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมอมตะได้เลยเพราะฉะพุทธเจ้าท่านจึงสอนอริยมรรอยงแปดศินสมาธิปัญญาการบรรยายทั้งหมดที่เราจะฝึกฝนอบรมกันวันนี้วันแรกวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้สมวันรวมสองคืนเนี้ยเราก็จะพูดเกี่ยวกัเรื่องแง่มุมนี้ทั้งหมด อย่างอื่นก็มาเป็นกติเป็นตัวอย่างยกมาพอเป็นข้อเทียบเคียงให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเนี yeah. ่ยนี่ก็หมดเวลาไปทั้งหนึ่งชั่วโมงสิหนาทีแล้วน่ชั่วโมง10นาทีแล้วหมดเวลาไปเป็นชั่วโมงแล้วแต่เรามีเวลาไปจนถึงบ่ายสี่บ่ายสี่โมง เหลือเวลาอีกสี่สิบห้านาทีนี่ตอนนี้เราฟังไปด้วยแล้วนั่งภาวนาไปด้วยจากนี้ไปหลวงพ่อก็จะพาะนั่งภาวนาเงียบๆไปสักสินาทียี่สิบนาทีนะพวกเราภาวนาด้วยได้ยินเสียงด้วยแล้วก็ฟังเนื้อหาในเสียงเสียงไม่ใช่มีสัพท์ว่าเป็นเสียงเฉยๆมันมีอัตถาสาระอยู่ในนั้นในคําพูดเหล่านั้น คำพูดก็ ค, คือคำสมมุติแต่ในนั้นมันมีสาระสารธรรมของมันอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงฟังกันได้ศึกษากันได้ฝึกฝนอบรมกันได้เพิ่มพูนสติปัญญาความรู้ในจิตในใจของเราแก่กันและกันได้เอาต่อไปนั่งเภาหนานะนั่งเภาหนาเงิ่มๆนั่งเภาหนาฟังเราก็ฟังมาแล้วตั้งเป็นชั่วโมงแล้วอือ รอบแรกเะาพวเราก็ไปเดินจงกรมเหน็ดเหนื่อยมาแล้วก็มานั่งฟังมานั่งอีกสองชั่วโมงมันก็มาราทนพอสมควรน ะ, ะแต่ไม่ใช่โหดนะไม่ใช่โหดต้องอดต้องทนการอบรมบ่มเพาะต้องทำอย่างนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ดอกอ่า เปลี่ยนนู้เปลี่ยนนี้พ ล, นนพลิกนู้นพลิกนี้ฉาบนู้นฉวยนี้มันไม่พอยจะได้อะไรมัดให้มันอยู่ในนี้เลยนึบเข้าไปเนี่ยเอาตายเอาเป็นใส่เข้าไปเลยไม่ใช่เราสักเทวราทำเฉยๆเราตั้งใจเผานะให้ให้ใจได้รับความสงบเถอะเรจะได้ความอัศจรรย์ได้รับความรู้ความอัศจรรย์น ใ, นในใจของเราคุ้มค่าที่สุดละน ะ, ะเป็นอนุสรณ์ชีวิตให้กับเราได้ใต้เลย แต่จะต้องตั้งใจไม่ตั้งใจไม่ได้แม้แต่ฟังเหมือนกันน่ยถ้าไม่ตั้งใจฟังไม่รู <recognition> <un> ้เรื่องหรอกทาไมถึงพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องเพราะไม่ตั้งใจฟังมันเลยไม่รู้เรื่องถ้าไม่รู้เรื่องผู้พูดจะพูดไม่ได้นะมไม่เชื่อท่านทั้งหลายลองพูดเถอะถ้าท่านไม่รู้เรื่องท่านจะพูดไม่ได้เลยแหละนี่พูดข้อเท็จจริงให้ฟัง เพราะฉะนั้นจากนี้ไปให้นา่งภาวนานะห้ามนั่งทรงออกนะใครเคยพองหนอ้อยุบหนอก็กําหนดจดจเข้าไปเอาเป็นเอาตายใส่ก็ไปเลยเอาใส่ตอนนี้แหละอย่าไปเอาใส่ตอนอื่นใครพุทธโธลมหายใจเข้าลมหายใจออกพุโทโธหายใจเข้าพุทหายใจเข้าโทหายใจออกก็พุทธโธไปเลยใครจะพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวกับพุโทโธไปเลย เราจะกำหนจดจุดจออะไรก็ตามที่เราเคยฝึกฝนโอโละ ม, มาเราก็ทําให้ได้เลยเพราะเชื่อว่าทุกคนต้องเคยฝึกมาทั้งนั้นแหละเคยได้ยินได้ฟังเคยได้ทํามากันทั้งนั้นแหละทํำยังไงใจของเราจะได้รับความสงบจุดสรุดรวมยอดคือหนึ่งความสงบสองเกิดความฉลาดรอบรู้ทางด้า น, นปัญญาแต่ถ้านั่งเภาหนาปั๊บจิตฟุ้งซ่านทรงออกนอกอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ให้ดึงกลับมา แต่ใจของเรามันพร้อมที่จะไปนะพรานิสัยมันชอบอย่างนั้นอยู่แล้วห้ามห้ามมันยากมันไม่ต่างอะไรกันลิงสติของเราไม่ดีความอดความทนของเราไม่พอเนี่ยโอ้ยมันจะกดดันกดถ่วงหัวใจของเราดูความกดดันดูความกดถ่วงดูความที่มันพาจิตของเราดีดิ้นอยู่นั้นแหละมีสติทันทุกระยะทุกเวลาสามารถกําหนดสติกําหนดจดจ่อดูทันนะ พอสติเราตามทันมันก็หยุดสติตามทันมันก็หยุดสติมันก็เกิดจากใจใจที่อยู่หรือใจไม่อยู่ใจไม่ตื่นไม่รู้ตัวเองใจลุ่มหลงขาดสตินี่หนึ่ ง, งความลุ่มหลงทําให้เราขาดสติแต่ถ้าเรามีสติปั๊บเมื่อเราปลุกตัวเองให้ตื่นรู้รูอยู่นั้นจับอารมณ์พุทโธพุทโธให้เขาเขาก็จะอยู่กับคําว่าพุทโธพุทโธ ม่ให้มันเล็ดลอดออกไปนึกเรื่องรักเรื่องชังเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเรื่องการเรื่องงานที่มันค้างค้างอยู่ที่เราเสียสละมาอย่าไปนึกถึงมันนึกถึงแต่อารมณ์ที่เป็นธรรมที่เราบริกรรมอยู่นั้นใจของเราสงบใจสงบตัณหาสงบย่าลืมตัณหาสงบใจของเราสงบใจของเราไม่สงบ เพราะตัณหามันกวนใจใจเราไม่สงบสิ่งที่มีพลังที่สุดในใจของเราคือตัณหาแต่สิ่งที่มีพลังเหนือตัณหามีอยู่สติธรรมสัมปชัญญะธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมถ้าไม่มีพระสงฆ์สาวกพระพุทธเจ้าเอาชนะมันไม่ได้ด้วยเหตุที่มันมีท่านถึงเอาชนะได้อยู่เหนืออยู่ในเงื้อมมือของเราได้ สามารถทําได้สิงเหล่านี้สามารถทําได้สามารถฝุกฝนอารมณ์ได้แต่ต้องอดต้องทนต้องต่อสู้มีสติมีสมรชัญญาพร้อมจิตกับสติกับอารมณ์เป็นอันหนึง่งอนเดียวกันพุทธโธเราก็ประคอพุทธโธเราประคอพุทธโธเรากประคองไม่ให้มันล่งลืม พุทโธแล้วประคองให้มันหลงลืมทําไมอะถ้าลงลืมปั๊บตัณหามันแทรกพอลงลืมปั๊บตัณหามันแทรถ้าสติของเราจางๆไปสักหน่อยตัณหามันก็แทรกตัณหาคือกิเลสกิเลสคือตัณหานั่นแหละริดเด็ดของกิเลสทั้งหมดอะมันไปจากต้นตอของมันคือตัณหาแต่ท่านเรียกไปตามตามศัพท์ตามแสงตามกิริยาของมันเท่านั้นเอง เราดูให้เห็นความอย่างในใจของเราทั้งกิเลส ท, ทั้งอะไรต่วอะอยู่ในนั้นทั้งหมดมันไปจากตัวเดียวแต่ท่านไปบัญญัติกิริยาการของมันแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างทําให้เราเข้าใจสะดวกสบายในการฝึกฝนอบรมในการศึกษาบัญญัตินั้นว่าเป็นชื่อนั้นบรรยัติบัตินั้นว่ญญาเป็นชื่อนั้นเราเรียนรู้เราเข้าใจเรื่องหลังนี้แล้วเราก็จะเริ่มเข้าใจจิตของเรากายของเรา อารมณ์ของกิเลสภายในใจของเราอารมณ์ของธรรมภายในใจพยายามเอาอารมณ์ที่เป็นทําให้มีอในใจของเราอารมณ์กิเลสมันก็สงบไปเป็นความสงบเป็นความสุขความสุขที่ไม่มีความสุขอื่นยิ่งไปกว่าคือความสงบจากการถูกกิเลสทัหายุบแย่จิตของเราเองเราต้องใช้ภาวนา เราก็หันมาทางนี้นะเราไม่หันไปนเราจะเห็นคนัะงกเราหันมานี้เป็นยังไง <c oughs> อยู่ไหมห <c oughs> นีไปไหนบ้าง กลับบ้านดูงานเลินเที่ยวหรืออยู่กับบทอารมณ์ที่เรากำกับให้เ <c oughs> ราพิสูจน์้เราได้เลยแหละความสามารถที่เราควรใช้รู้ฤทธ์รู้รรเดชของเราเองนี่คืองานนี้แหละ งานอัตตาหิอัตโนนาโถงานตนแสเป็นที่พึ่งของตนอย่างแท้จริงถ้าหากเราไม่เคยอยางนะแค่เรานั่งสิบนาทียี่สิบทนีใจวั่นไปไหนมันยัางอาที่ลงไม่เจอคนที่เขาถนัดเขาทำมาเป็นประจำเพราะเขาสังสมมา ม, มีทุนเดิม ทุกคนมีทุนเดิมมาด้วยกันทั้งนั้นแหละ <c oughs> เรามาเพิ่มให้ได้กำไรให้ได้ดอกได้ผลเพิ่มพูนทวีคูณหัวใจมนุษย์มีคุณค่ามีคุณค่าตรงนี้เพราะฉะนั้นมนุษย์ดิบดิบมนุษย์ไม่เห็นผลของคุณศีลคุณธรรมเนี่ยก็ว่าหัวใจดิบเกิดขึ้นมาเหยียบเป็นดินผิด เหยียบแผ่นดินผิดเหยียบเตียมตีนเดินอยู่บนแผ่นดินแท้ๆ ท, ท, ทำไมว่าเหยียบแผ่นดินผิดถ้าใครเคยอัตตสัมมาพณิธิเป็นผู้ตั้งตนไว้ชอบมาแล้วใครเป็นปุเพกะตะพุญญาตาเป็นผู้สั่งสมบุญมาแล้วด้วยเหตุที่เขาสั่งสมบุญมันมีวิบากมีผลติติดตามมา เพราะขึ้นชื่อว่ากรรมกรรมต้องสังสมต้องอบรมที่เราพยายามทำให้ชนะกิเลสเพราะเราอบรมทำให้มากขึ้นใจเรานึกเราคิดแต่ละครั้งแต่ละรอบให้มันอยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมไม่ให้กิเลสดึงไปไม่ให้ตัณหามันดึงไปที่จริงกิเลสก็คือตัณหาตัณหาคือกิเลสเนี่ย อวิชชาตันหากิเลสความหลงอันเดียวกันทั้งหมดอันเดียวกันไม่ใช่คนละอันเราดูไปที่จิตของเราดูดูไปที่ผู้รู้ของเราเราไม่ต้องไปขัดแย้งกันเราหมดแต่ไปแยกแยะสับนั้นแสงนี้จนเกินไปแล้วก็สับแสงมันเตะกันเองการที่เราจะพุ่งแสงสับแสงอะไรทอะไรให้มันมีสภาวะธรรมรองรับ มันไม่เสียหายบางครั้งไปสมมุติจนเกินขอบเขตเกินพ้อเท็จจริงดูความจริงกับคําที่เราสมมติการศึกษาธรรมเราต้องดูของจริงถ้าเราไม่ดูของจริงจะไม่ปรากฏกับเราเราก็แแปลงพลางสงสัยอยู่นั่นแหละของจริงโผล่ที่ใจปรากฏที่ใจใจสงบเราก็รู้ใจไม่สงบเราก็รู้ ถ้าเราสอดส่องดูแลใจไม่สงบเราก็รู้สาเหตุที่ทำให้ใจไม่สงบเราก็รู้ถ้าหากเราตามรู้เราจะเริ่มทันมันเริ่มเห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรคือเหตุอะไรคือผลอะไรคือตามรู้อะไรคือเหตุอะไรคือปัใจจัยให้เกิดเหตุอะไรคือผลตามมา มันจะปรากฏชัดเจนในหัวใจของเราเพราะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราอยู่เดี๋ยวนี้มีเหตุแต่เหตุกับผลทั้งนั้นเหตุผลักดันไปสู่ผลผลักดันไปสู่เหตุเหตุผลักดันไปสู่ผลเรื่องเหตุเรื่องผลนี้มีประจําทุกขณะจิตของเราเราสังเกตลองดูเวลาท่านพูดสรุปไปถึงเหตุปัจจัยนําให้เราพ้นทุกคนโทษจริงๆท่านก็พูดถึงเหตุกับผลที่เป็นหลัก เช่นอย่างสมุทัยเป็นเหตุทุกข์เป็นผลมรรคเป็นเหตุนิโรธเป็นผลก็คือเหตุกับผลทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคสองเหตุสองผลเนี่ยเหตุหนึ่งก่อทุกข์ก่อโทษเหตุอันหนึ่งดับทุกข์ดับโทษดับทุกข์ดับโทษได้เป็นนิโรธคือดับทุกข์ดับทุกข์ พุทธเจ้าท่านบรรลุธรรมท่านมาตรงนี้อาจารย์ของพระองค์อุทกดาบทละระดาษบทสอนเท่าไหรพระองค์ไม่ได้บรรลุเพียงแต่ได้ใจได้ความสงบได้ประเภทสมาบัติรูปปัสมาบัติอารม ป, ปรสมาบัติไม่รู้จักท่องออกไม่รู้จักทางออกติดความสุขอาจารย์ของท่านะติดความสุขออกไม่ได้เวลาต้องการความสุขก็ขเข้าสมาบัติ เราต้องการความสุขก็เข้าสมาบัติออกไม่ได้แล้วก็ต้องมีตัวตนเสพสุขสเสวยสุขไม่ได้ดูไม่ได้ย่อยเหตุปัจจัยของมันเลยกลายเป็นอัตตาเป็นศ า, าสนาของอัตตาแต่พระพุทธเจ้าท่านให้ย่อยสลายจนหมดม่ ม, มีตัวไม่มีตนไม่มีผู้สุขไม่มีผู้ได้รับความสุขเพียงแต่ทราบ ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยปัญญายานรู้ว่าความสุขรู้ว่าความทุกข์รู้เหตุสุขรู้เหตุทุกข์เหตุกับผลผลักดันทั้งส่วนของกิเลสทั้งส่วนของธรรมทั้งส่วนของกองสังขารที่เป็นส่วนรูปประธรรมของเราคือร่างกายทั้งหมดเนี่ยร่างกายนี้เป็นเรือนร่างของจิต เราว่าจิตเราว่าใจเราว่าวิญญาณธาตุเราวามโนธาตุมโนธรรมถ้าเรียกไปตามอาการของมันเราเรียกเพิ่มให้ระงงในอาการคือธาตุอย่างหนึ่งมีความรู้อยู่ในตัวของตัวเองคือใจมัอัศจร น, นะลองย้อนไปดูที่ใจของเรามันอัศจร ออกมารู้แสดงโลกนี้ให้ปรากฏกับเรารู้อะไรรู้สุขรู้ทุกข์หลงในความรู้ของตัวเองและยึดสุขก็ยึดทุกข์ก็ยึดผู้ที่แก้ได้พุทธเจ้าแก้ได้ย่อยสลายความสุขความทุกข์อีกทีหนึ่งย่อยสลายผู้ที่ยึดสุขย่อยสลายผู้ที่ยึดทุกข์ คืออัตตานั่ น, นะตัวนั้ น, นะคือตัณหาตัณหาคือตัวอัตตาอัตอตาคือตัวตัณหามีอัตตาทีไรเมื่อไรคือตัณหามแสบมีอัตตาขึ้นมาทีไรเมื่อไรตัณหามันแสบแต่หากตัณหาไม่แสบทุกอย่างเป็นสภาพธรรมมีสักเท่ากันหมดสภาวะธรรมสภาวะธรรมทมอย่างไรจิตของเราจะเข้าถึงสภาวะธรรม คือสภาพที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงในจิตของเราขอให้เราตั้งอกตั้งใจทำให้ได้ทำนั้นมาถึงตอนนี้หมดเวลา เน่สู้สู้สต้องสู้ออกต้องอดเราต้องทนอดงดหิดจับสน<อ>ดูมันป<อ>รุกสบายทั้งหนักทั้งเบาดูมันสงบไม่สงบดูมันมีนาที่ดูใช้สติใช้ปัญญาดูอย่าใช้ความขัดข้องขุนมัวในหัวใจ ขัดข้องคุณมัวก็รู้ดูในสมไม่มีอะไรโผลมานะไม่เชื่อลองตั้งใจทำดูหงุดหงิดดูความหงุดหงิดมันดูได้ขี้เกียหนึงอิจฉารักตมิดูมัห น, น่อยมันจุดได้เรื่องของทิฏฐิกิเลสตัณหามานะมันคอยที่จะโปรขึ้นมาดูหน้ามานันให้เห็นดูได้ พลกจิตของมันมันคือกิริยาของจิตพลิกพลิกพลิกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของมันพลิกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของมันตั้งใจพลิกให้เป็นธรรมพิบาตที่หลงเหลืออยู่จะเป็นธรรมถ้าเราปล่ยสิ่งเล่านั้นแทรกทั้งวีทั้งวันผลที่ตกค้างเหลืออยู่เป็นผลของมันกิเลสกรรมพิบาตผลไหลได้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดธรรมกรรมพิบาตผลรายเหลือทั้งวีทั้งวันเป็นเรื่องของธรรมทั้งหมด ครูบาอาจารย์พระริยเจ้าที่ท่านฝึกฝนอบรมได้ผลของกิเลตไม่มีไม่มีโอกาสแสดงออกมาได้มีแต่ผลของธรรมเป็นธรรมทั้งแท่งเข้าถึงบรมสุข